สัตว์คำนี้เราได้ยินบ่อยมากนะครับในหนังสือในบทสวดแบบไหนที่พู้เจ้าเรียกว่าสัตว์สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์รวมถึงคนถูกไหมไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานสัตว์พู้เจ้าใช้คำว่าสัตว์ สำหรับผู้ที่ยังมีตันหาผู้ที่พ้นไปจากอำนาจของตันหาตั้งแต่อริยบุคคลชั้นพระโสดาบันขึ้นไปไม่เรียกว่าสัตว์เพราะตัญหาทำอะไรท่านไม่ได้ลวเพราน้นตันหาจะมีอยู่ในสัตว์สัตว์ตกอยู่ภายใต้อำนาจของตันหาบีบคั้นจิตใจตลอดเวลา สัตว์เหล่านี้จึงต้องเวียนไหวตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดพระเจ้าแยกคำว่าสัตว์อยู่ตรงอริยบุคคลขึ้นไปไม่เรียกสัตว์ต่ำกว่านั้นมีตันหาเข้ามาบีบคั้นเรียกสัตว์สัตว์จึงต้องเวียนไห้ตายเกิดเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาปฏิบัติเพื่อพ้นจากความเป็นสัตว์ เพื่อพ้นจากอำนาจของตันหาที่บีบคั้นมาเป็นเจ้านายบงการไม่เคยสิ้นสุดตอนเด็กๆตอนวัยรุ่นเราก็ด่ากันไอสัตว์ไอสัตว์ก็ด่า ถ, ถูกแล้ว <c oughs> มิน่าเวลาเพื่อนด่าแล้วยิบพ่อมันด่า ถ, ถูกกูนี่ <c oughs> มินีกูก็ด่า ถ, ถูกกู เดี๋ยวเราดูท่าถูกปัจเจกกันนิดนึงจะได้ไปทานข้าว